หม่บัดแนมโปรดสรรพลับ cha ruc vè เกาถึงตอนทําเข้าพนา เขาล้ำข้างสิลุมขาพระมาณาก็ใจต่างขาสว่าข้างเหลี่ยวเที่ยวใหม่เมนบนไปอืมอืมอืมเก็กกำคิดได้ไฟมากขันเป็นยูมเดินทางไก่บอบอสมอันพิศยมโอ้เช้าบาล แต่เพียงท่าเนี่ยกระถือเพชีพห้ามเที่ยวหาทําหนทานวันสิไปในดาวข้าวนำสมใจเท่าทําเขากระบอกทีพื้นเพราะกรรมเก้าเกีย Véter tu hài hài t'inzay phòp bàn S'à ว่าธรรมบักดําลากกะหนองอีแดงจอง ในตอนนั้นอนิชชาพามเฒ่าลนลานก็ยั่นสั่นขึ้นไปนางสะบัน que t'abot l'oam ต้องลวงหลอกให้มันกว่าก่อนเด้อต้องใช้หัว ขันมึงว่าวโบงเรื่องคิดสักควดต้องชิบหายสูตต้องตายกันหมดโทษปลานยิ่งเป่าข้นจังกูมีในกายเท่าจะจิดใจกะกะแก้นเบิดประเทศเทศแขนบอหารกา <c oughs> กูในละสิไปเชิญทานเท่าให้กับเขาสุนครกูจึงในเรียบร้อนน้ำลาทธรรรตาตามบัญชา พานในฟังตลอดทั่วจนตัวสั่นงงงกตกลมพางชู่ชก เหลียวเบิ่งนายพันกากขอภูมิเพิ่มคักกระใจนี่ล่ะเพิ่นก็ไว้ไผฉลาดท่าน ผู้ดีบ้านนอกบ่ หลานสิไปเที่ยวลาสะมันปลาโอ้ยราชการ Insultats-en que福irgas ขอขอบใจที่วางมีต่อเขาเนาะคราวนี้โอกาสมีวัด <แ>, ah ah da años en pas. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Es. Ah. Ah. C'a. C'r. A. C' ay. C'an C'm. C'a. Ay. A. C' Sro. A. C'm. C'm. C'm. C'na. Ca. fré A. Ay. A. Ay. O. A. A. Ay. o o o o ui o o o o o o o o